157เมื่อวานหลวงพ่อตอนเที่ยงหลงอุโบสถพระสงฆ์หลงอุโบสถที่วัดในละแวกนี้ก็เข้ามาร่วมลงอุโบสถแล้วก็ตอนเย็น5โมงเย็นไปที่วัดบ้านม่วง เจ้าคณะอำเภอท่านมรณาภาพฝ่ายมหานิกายอายุ80ปีท่านบวชมาแต่เล็กแต่น้อยเนะ่เป็นคนเมืองอุดรอของเรานะ่แล้วก็มาอยู่ที่น้ำโสมเป็นเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมได้มรณะคณะสงฆ์ทั้งสองนกายทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกาย รวมกันสวดนัดสวดอภิธรรมก็เมื่อวานรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเยอะแล้วก็พระสงฆ์ก็มากดูดูดลราลานวัดแน่นไปหมดเมื่อวานทั้งข้างบนข้างล่าง ก, ก็ให้นิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้เทศเมื่อคืนนแต่หลวงพ่อได้ เตรียมเจตุปัจจัยในวัดของเราไปร่วมสมทบงานศพของท่านสองมืนบาทแล้วก็ผ้าไตรพอเทศจบเขาถวายอีกหนึ่งมืนค่ากันเทศกับผ้าไตรอีกหนึ่งไตรหลวงพ่อก็เลยเอองานศพของหลวงปู่จะได้ใช้ไปอีกจะได้อีกนานเพราะยังไม่ได้ พระราชทานเพิงจะต้องเก็บไว้นานจะต้องมีค่าใช้ใจ่ยายจะต้องดูแลเรื่องเมนเรื่องวัดบูรณะปฏิสังขรณ์ที่มันจำรุดชุดโฉมอ้าวหลวงพ่อรวมสมทบเข้าไปนะรวมทั้งปัจจัยของหลวงพ่อด้วยกันเทศด้วยสามหมินผ้าไตรสองไ ต, นะตรเนอะูกหลานนะพอเสร็จแล้วหลวงพ่อกลับมาเมื่อวาน เมื่อคืนเนี่ยเนี่ยเราโดยมากหลวงพ่อไปนัชสถานที่ใดกระโดดพอไปแสดงธรรมมีคนถวายถ้าเป็นงานศพอย่างเนี้ยหลวงพ่อจะไม่เอากลับคืนมาถ้าเป็นงานศพพระนะถ้าเป็นงานศพฆรวาสนะเอออันนั้นอีกส่วนหนึ่งเขาจะต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายแต่อันนี้พระสงฆ์ก็หมู่เดียวกันถึงฉัน ท า, างญาติโยมจะอุทิศส่วนกุศลแล้วเราก็มอบ ก, กลับคืนไปเพื่อจะได้ทำเมนเผาศพเมื่อคืนในหลวงพ่อก็ได้เทศเรื่องอนิจจาคือของไม่เที่ยงแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความปร ะ, ประมาทในหลวงพ่อก็เยยกนิทานชาดกเรื่องหนึ่งขึ้นมา เพราะว่าคนทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้เรื่องตายและเกิดเรื่องตายและศูนย์เนี่ยมันฝังอยู่ในจิตใจของพี่น้องประชาชนแต่ไม่อยากจะสํารวจไม่อยากจะพิสูจน์แต่ก็ตีแบบครวบรัดแบบง่ายๆแบบขี้มัก่ายเพื่อโกหกตัวเองไปเป็นวันๆแต่พอโกหกเสร็จแล้ว ก็สบายใจให้เรื่องสบายใจก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเออเพียงแต่ว่าระงับไปก่อน น, นู่นแหละทีนี้มันจะโผล่ขึ้นมาในช่วงที่ใจจะขาดนั่นนหะมรณะภัยมาถึงไม่อยากตายทีนี้พอไม่อยากตายแต่เขาบอกอะไรเชื่อหมดทีนี้แต่อยู่ดีๆไม่อยากจะเชื่อกันพระพุทธเจ้าท่านว่าอยากจะพิสูจน์เรื่องตายและเกิดให้นั่งภาวนานะทําจิตใจให้สงบ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 เพราะธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้อันนี้ก็คือทมคำสอนแต่พวกเราไม่พิสูจน์พูดแบบโปรดรัตอย่างที่ว่าผลที่สุดเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงจวนตายคุณเป็นโลกมะเร็งนั่นนะเป็นมะเร็งตับนะตายแน่คราวนี้ ตอนนี้เขาพูดอะไรเชื่อหมดออยาผีบงยาผีบอกขี้โมลาขี้หมาแห้งเอเอามาแช่น้ํากินก็หายเชื่อเขาเองเชื่อหมดอพอตัวเองเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะแต่ดีๆนะไม่อไม่ยอมฟังใครไม่ยอมรักไม่ยอมรับฟังหลักเหตุผลนี่แหละสิ่งเหล่านี้ พวกเราท่านทั้งหลายควรจะพิสูจน์ควรจะฟังฟังแล้วก็จากนั้นก็พิสูจน์พอพิสูจน์แล้วเราจะได้เดินทางหลบปลีกปลีกตัวจะเดินยังไงจะทํำยังไงเพราะเพราะเรารู้เราเชื่อว่าเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเราปิดหูปิดตาตัวเองเราก็อาจจะไม่เชื่อพราะไม่เชื่อแล้วคําไม่เชื่อคํานั้น่ะ ไม่ใช่มันจะอยู่ด้วยความผาสุกพอจวนเข้ามาอย่างที่ว่านั่นก็เดือดร้อนอีกใจก็เป็นทุกข์อีกในลำเมื่อคืนหลวงพ่อก็ได้ยกเรื่องมาในพระไตรปิฎกในครั้งพุท ธ, ธกาลภิกษุองค์หนึ่งตายไปแล้วไปเกิดเป็นเล่นไปเกิดเป็นเล่นผ้าจีวรพอห่วงห่วงห่วงผ้าจีวรของตนเองพอตายแล้ววิญญาณไปกาก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 ร่างกายเล็กจริงอยู่เป็นเล่นแต่ใจมันไม่ใช่เล็กนะเป็นใหญ่ใจใหญ่รู้เรื่องแต่พระสงฆ์ที่นั่งล้อมวงที่จะแจกบริขารของพระองค์นั้นท่านหูไม่ได้ยินพระท่านไม่ใช่หูทิพย์แต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่พระคันทกุดีท่านได้ยินได้ยินท่านมีหูทิพย์มีตาทิพย์ ท่านได้ยินเยโอ้เลนตัวนี้มันร้องเพราะว่ากลัวพระสงฆ์ทั้งหลายจะแย่งจีบอรเขาไปอนโนนไปสั่งให้พระเหล่านั้นระ ง, งับไปก่อนอย่าเพิ่งแจกผ้าจีบอระ ง, งับไปก่อนนะจนกว่าจะได้รับคำสั่งเราให้แจกยังค่อยแจกพระอนนก็นรีบไปไปบอกว่าดูก่อนพวกท่านทั้งหลาย พระพุทธองค์มีพระบัญชามาว่าให้พวกท่านทั้งหลายระงับไว้ก่อนอย่าเพิ่งแจกผ้าจีวรลอย่าเพิ่งแจกอัฐบริขารพระที่ตายเมื่อ ว, วานนี้เอาเก็บไว้ก่อนพระพุทธองค์ได้สั่งมาแล้วก็จนกว่าจะได้รับพระบัญชาอย่างอื่นให้แจกจึงค่อยจัดการแจกพระเจ้าหลักก็เก็บบริขารไว้ แต่ก็ตั้งความสงสัยไว้ในใจเมื่อไกรนเอ๊ะทำไมองค์อื่นๆตายแล้วนะ ก, ก็แจกกันแต่องค์นี้ทําไมสั่งลังับเป็นเหตุมีเหตุผลอะไรเนอต้องมีเหตุนะเนี่ยพระสงฆ์ก็เก็บพอเจวันพระพุทธองค์ก็บอกสั่งพระอา น, นุวนวอาอนุ์ไปบอกพระที่เก็บบัตถบริขารที่เจ็ดวันที่ผ่านมาแจกได้แล้วนะบอกแจกแจกได้ ประชุมสง์และกระแจกจากนั้นพระนงก็ไปบอกพระสงฆ์พระสงฆ์เลยประชุมกันคือในครั้งพุทธกาลอัฏฐบริขารอัฏฐแปลว่า8อัฏฐบริขารของบริขาร8หายากบ ร, บ, รบริขาร8นั่นคืออะไรบาตกีวรสังคาติผระสบงสายประคดเอวผ้าสี เหล็กสมน้ำหนึ่งพูดง่ายๆผ้าสี่ก็คือผ้าสังคาตีบอลจั บ, จบงสายประคตเอวผ้านุ่งผ้าสีเหล็กสามคืออะไรเข็มมีดโกนมีดตัดเล็บเหล็กสน้ำหนึ่งก็คืออะไรคือผ้ากรองน้ำของกรองน้ำธรรมกะลกอันนี้เลยบริขาน ของใช้ของพระมีอยู่แดอย่างแต่บ่าบริขาร8ในเมื่อพระท่านมรณาภาพองค์ใดองค์หนึ่งลงไปแล้วก็เอาอัฐบริขารของพระออนั่นแหละสมบัติของพระออนั้นมาวางไว้ตรงกลางจากนั้นพระสงฆ์ก็นั่งล้อมพระสงฆ์ในวัดนั่นะในกลุ่มนั้นะในวัดพระเชตวันมหาวิหารในสมัยนั้นมีหลายกลุ่มมีหัวหน้า คล้ายๆกว่าผู้เย็บบ้านอย่างนี้แหะเออเออรักษากลุ่มเป็นหัวหน้าคณะนะอย่างมติบวรหนึ่งคณะเขียวรังสีคณะอะไรตัวมีอะไรคณะตะวันออกคณะตะวันตกคณะทิศเหนือทิศใต้คณะกลางก็ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ในแต่ละคณะก็ต้องมีหัวหน้าในเมื่อมีปัญหาขึ้นมากันอ่ะอันนี้ก็พระองค์นั้นก็อยู่ในคณะหนึ่ง คณะหัวหน้ากันมารวมกันเสร็จแล้วก็หัวหน้าคณะก็ประกาศเออพระองค์องค์ไหนที่ดูแลอุปถัมปทากพระที่องค์ที่ท่านมรณะภาพไปนั่นแหะใครเป็นอยู่ใกล้ใกล้ชิดท่านรับใช้ท่านองค์ไหนคณะสงฆ์ก็เสนอขึ้นมาพระก็เป็นผู้ดูแลอุปถัมปทากพระที่มรณภาพเออเอา ให้พระกอเลือกเอาบริขารแปดเนี่ยต้องการอะไรให้เลือกก่อนเพื่อนพระกอก็ต้องเลือกแหละอยากจะได้จีวอลแล้วอยากจะได้สังขารติของอาจารย์ก็เลือกเอาพอเลือกเสร็จแล้วก็เอาองค์ไหนบริขารชำรุดมากน้อยกว่ากันองคไหนบริขารชำรุดมากในกลุ่มของเราองคนั้นครับเป็นพระสงฆ์ก็เสนอองนั้นครั บ, ส, รบสังขารติขาดครับเออเอาเอาสังขารติให้องค์นั้น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 สงสัยถึงเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสั่งระงับแล้วก็สั่งให้แจกมีเหตุผลอะไรหนอพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขา่าที่พระพุทธองค์ได้สั่งให้พระอ น, นุนไปสั่งระงับการแจกบริขารกับพวกข้าพระองค์แล้วก็วันนี้สั่งให้แจกมีเหตุผลอันไหนหนอพระเจ้าขา่าจึงได้ ตัอย่างนั้นพพวกข้าพระองค์สงสัยรพระพุทธองค์บอกว่าออพวกพระองค์ที่ตายไปนั่น่ะก่อนที่เขาจะตายเขาคิดห่วงผ้าจีวรเขาอย่างมากออคิดห่วงผ้าจีวรโอ้วันพรุ่งนี้เราจะได้ใช้ผ้าจีวรผืนนี่ละ่ะตัดมาเย็บมาบัมดมัดใหม่ๆถูกใจมากๆ เ, ออเราจะได้ใช้ละแต่พอจวนใจจะขาดก็ ห่วงผ้าจีวรโอ้ข้านี่จะตายจริงหรือนี่บริขารของข้านี่พอจนันทใจก็เลยขาดพอใจขาดท่านั้นวิญญาณก็เลยเข้าไปปฏิสนธิไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรในผ้าจีวรผืนนั้นในกำเนิดกำกำเนิดสี่กำเนิดสี่ก็คือชลาพุทชะเกิดในคัน อันทชชาเกิดในไข่สังเสริฐทชะาเกิดในสิ่งที่หมักหมมในเท่าในใครอย่างที่พวกเราไปตั้งหม้อน้ำไว้แล้วก็น้ำน้ามันชุ่มอยู่ในก้นของมัน เ, นเรายกหม้อขึ้นมาก็มีไส้เดือนมีอะไระตีตัวอะไรตัวแดงทักแท่หลายๆหลายๆอย่า ง, ท, างที่มันเกิดอั น, นอันนั้นเป็นอันว่าเกิดในที่หมักหมม อย่างไที่มันหมักผมก็เกิดเป็นตัววิญญาณขึ้นมาอันนั้นแปลว่าสังเสตชะเกิดในเท่าในใครโอปปาติกะเกิดผลขึ้นแต่เลนตัวนี้นะเกิดแบบผลขึ้นวิญญาณเข้าไปเกาะแล้วก็ตัวเองก็เกิดขึ้นเป็นตัวเลนตัวไรไม่ได้มาจากไข่ตัวไหนจากนั้นพอเจ็ดวันอายุของเลนแล้วนะถ้าเจ็ดวันนะ มันไม่ได้กินอะไรมันก็เลยตายพอตายแล้วเล่นตัวนั้นอเ น, นสงสมาธิอเ น, นสงสินของเขาเออสมัยเมื่อเป็นพระนะเมื่อเป็นพระเด็กเขาปฏิบัตริรักษาศีลภาวนาทุกอย่างอเ น, นสง์ของเขามีอยู่แต่ขณะที่ช่วงตายนั่นแหะช่วงที่มรณะาภาพใจของเขาเป็นห่วงเพราะมันห่วงก็ต้องไปเกาะตัว น, นั้นก่อน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 พระองค์นั้นเป็นตัวเลนตัวลายอยู่ในผ้าจีบอลและกับพระเหล่านี้แจกผ้าจีบอลเลนตอนนั้นมันก็โกดโมโหโกธาให้ให้กับพระผู้ทรงศีลเพราะพระทรงศีลก็ไม่รู้ตัวเองก็โกรธเพราะองค์บอกว่าเมื่อเลนตัวนั้นตายแล้วจะไปสู่นรกเพราะเหตุเพราะเขาตายเขาตายด้วยความโกรธตายด้วยโมโหโกธานี่แหละมันเป็นเรื่องที่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 ดวงวิญญาณก็คงจะไปสู่นรกเพราะเขาโกรธให้พวกท่านผู้สงศินแต่พวกท่านไม่ได้รู้อะไรแต่วิญญาณนั้นโกรธกับผู้สงศินเขาต้องไปตกต่ำอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นต้องฝึกฝนเอาไว้ว่าก่อนที่จะตายนั่น ก่อนที่จะถึงจุดจบแล้วจะฝึกยังไงเราจะฝึกยังไงจึงจะไม่ห่วงหาอะไรไม่ข้องแว้กับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าว่าเรายังเป็นห่วงตายไปแล้วยังเป็นห่วงเงินในห่วงธ น, นบัตรอยู่ในธนาคาร้วคงจะไปเป็นตัวเล่นตัวไลยอยู่ที่นั่นท้ามาห่วงบ้านห่วงเรือนคงจะมาเป็นหนูเป็นตุ๊กแก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 อย่าไปเกาะอย่าไปติดปล่อยวางร่างกายทั้งร่างของเราเนี่ยยังไม่ใช่ตัวตนของเราถ้ามันเป็นของเราเราก็บอกใช่ว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะกายนะมันก็บอกไม่ได้มันก็ไหลไปตามสภาพเหมือนกับเราซื้อรถมานพอออกมาแล้วก็เอามาใช้ใช้เออรถเนียอย่าชำรุดนะรถนะใช้ไปตลอดนะเพราะข้าเอาน้ำมันให เติมน้ำเติมน้ามันอะไรทุกอย่างดูแลประคบประหมขนาดนี้จะสำรุดได้ยังไงแมมันก็ดีกว่าไม่รักษาแต่ตามไม่จริงถึงจะรักษาดีขนาดไหนก็เถอะถ้ายังใช้มันอยู่มันก็ต้องไหลไปตามสภาพอันนี จ, จังไม่เที่ยงจากนั้นก่อนมีปัญหาผลที่ถูก็ใช้ไปนานปีขรากจบใช้ไม่ได้เพราะสำรุดอย่างมาก ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันออกมาใหม่ๆเราก็ตื่นตัวเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็เป็นคนกลางคนต่อไปก็ไหลไปเรื่อยๆผลที่สุดก็นั้นแหละฟันก็หลุดหูก็ตึงตาก็ฝ่าฟางผมก็ขาวหลังก่อข่อมผลที่สุดก็นอนอยู่ในเตียงแหอกระยุกกระดิกก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้อีกต่างหาก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 แม้ว่าเรายัางมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ทำสิ่งนั้นคิดดีทำดีพูดดีทำเมื่อท่านทำที่ถูกต้องเป็นธรรมมันดีทุกอย่างแล้วนะความดีนะ่าจะตามสนองพวกท่านไปเกิดในภพภูมิใดความดีจะตามสนองแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายคิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว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 อยาั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วนะรับพรอนุโมทนาให้พร